เคยมีพระเซนจากประเทศญี่ปุ่นไปเยี่ยมหนองปะพงนะวัดหนองปะพงแล้วก็ไปถามหลวงพ่อชาซึ่งเป็นเจ้าวาดว่าภาวนาเนี่ยภาวนาทำไมภาวนาเพื่ออะไรนะทำไมต้องภาวนาด้วย ภาวนาแล้วได้อะไรนะถามแบบเซนนะหวงวชาราท่านก็ตอบนะกินข้าวไปทำไมนะกินข้าวเพื่ออะไรทำไมต้องกินข้าวกินข้าวแล้วได้อะไรตอบเท่านี้อาคาตุ ก, กาชาวญี่ปุ่นก็ ก็ยิ้มเลยแล้วก็เข้าใจนะเลิกถามต่อแล้วนะพวกเราก็หลายคนอาจจะมีคำถามนี้นะเหมือนกับพระเซนชาวญี่ปุ่นนะปฏิบัติทำไปทำไมทำไมต้องปฏิบัติทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรเนะี่ย เชื่อว่าคําตอบของหลวงพ่อชานี่ก็คงจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นโดยที่ไม่ไม่ต้องไปหาคําตอบเพิ่มเติมหลวงพ่อชานท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรนะนท่านท่านเพียงแต่ถามกลับไปเท่านั้นแหละทําไมพระเซนนะถึงเข้าใจนะทั้งที่หลวงพ่อก็ไม่ได้ตอบอะไรเลย คงเพราะว่าเห็นว่าการภาวนาก็ไม่ต่างจากการกินข้าวเรากินข้าวเพื่อให้ร่างกายมีกําลังนีมีสุขภาพดีภาวนาก็ทําให้จิตใจนะีมีกําลังวังชาแล้วก็มีสุขภาพดีเหมือนกันแต่แปลกนะคนเราไม่ค่อยถามนะ ว่ากินข้าวไปทําไมทําไมต้องกินข้าวนะกินข้าวเพื่ออะไรกินข้าวแล้วได้อะไรคนส่วนใหญ่ไม่ถามนะตอนมากคิดว่าคงจะน้อยมากที่จะถามคําถามนี้นะแต่พอเรื่องภาวนาที่ถามใหญ่เลยนะเหมือนกับว่าจะต้องรู้คําตอบให้ชัดก่อนนะถึงจะภาวนา แต่ทุกวันนี้เรากินข้าวโดยที่เราไม่ได้เคยมีคำถามนี้ในใจเลยแม้แต่น้อยนะเรากินข้าวโดยที่เราไม่ได้มีคำตอบให้กับตัวเองว่ากินข้าวไปทำไมกินแล้วได้อะไรนะทำไมต้องกินด้วยคนส่วนใหญ่ไม่ถามแตก่ก็กินทุกวันนะกินวัวลาหลายมื้อด้วยนะ แล้วก็อีกหลายอย่างที่เราทำโดยที่ไม่ได้ถามเลยนะเล่นเกมไปทำไมนะเล่นลวได้าอะไรนะอย่างอื่นด้วยนะไปชอปช้อปปิ้งดูหนังดูโทรทัศน์บางทีเราก็ไม่ได้ถามนะแต่เราก็ให้เวลากับมันนี่วันละเป็นชั่วโมงช่วโมงแต่พอจะ มีคนชวนมาภาวนาก็ถามใหญ่นะซักใหญ่นะภาวนาเพื่ออะไรนะภาวนาไปทำไมนะทำแล้วได้อะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าภาวนาคือการกินข้าวชนิดนั่นเองแต่ไม่ใช่กินข้าวเพื่อบำรุงกายนะแต่เป็นการบำรุงใจ และใจนี้ก็สำคัญด้วยพูะเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจคนเราถ้าดูแลแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ดูแลมันก็หาความสุขได้ยากนะก็เหมือนคนทุกวันนี้เนะี่ยมีความสุขกายสบายกายเนี่ยสบายอย่างที่ไม่เคย มีคนยุคไหนเนี่ยเนะทียบเท่าได้แต่ก็มีความทุกข์ใจอย่างที่ไม่มีคนยุคไหนเนี่ยเทียบเท่าได้เหมือนกันอันนี้พอาะอะไรเพราะว่าสนใจแต่กายสนใจแต่ความสะดวกสบายทางกายสนใจแต่ปลนเปลือกายนะแต่ว่าใจไม่สนใจเลยงั้นพอไม่ไม่สนใจจิตใจนะ ร่างกายมันก็ป่วยโน่นป่วยนี่บางทีไม่มีสาเหตุไอ้ความป่วยทางกายหลายอย่างเนี่ยก็มีสาเหตุจากจิตใจบางคนก็ไปหาหมอเพราะเป็นโรคใจสัน่นนะเป็นโรคใจสัน่นบางคนก็ปวดหัวปวดท้องเรื้อรังนะบางคนก็ท้องเสีย พวกนี้หาใส่ทางกายไม่พบนะแต่ว่าพอสาวไปสามมาก็พะว่าเป็นเพราะมีความวิตกกังวลบ้างเป็นเพราะว่ามีความโกรธแค้นพยาบาทบ้างไอการที่ปล่อยให้ใจเนี่ยถูกความวิตกกังวลหรือว่าความแค้น ความโกรธเล่นงานเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ดูแลจิตใจนะพอนามก็ไม่ใช่หลามานะก็คือการเยียวยาจิตใจด้วยเป็นทั้งอาหารและเป็นทั้งยาเยียวยาจิตใจให้หายทุกข์แล้วก็บำรุงจิตใจหล่อเลี้ยงจิตใจนะให้เจริญงอกงามด้วย ที่จริงเวลากินข้าวเนี่ยนะถ้าเรากินถูกวิธีกินเป็นนะมันได้ทั้งสองอย่างก็คือบารุงกายด้วยบารุงใจด้วยอย่างเช่นเวลาเรากินเรากินอย่างมีสตินะไม่ต้องคิดนึกอะไรอย่างที่บอกไว้แล้วนะทำทีละอย่างกินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวใจไม่ต้องไปคิดโน่นคิดนี่ ไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวกินข้าเสร็จจะไปทำอะไรจะต้องไปเจอคนที่ไหนนะแค่รู้ว่ากายมันกำลังทำอะไรนะการกินเนี่ยก็จะเป็นการจินที่บำรุงทั้งกายบำรุงทั้งใจเพราะว่าเวลาเราใจเรามีสติเนี่ยกินอย่างมีสติแล้วก็เคี้ยวอาหารแล้วก็เคี้ยวไม่รีบไม่รน คนเดี๋ยวนี้เคี้ยวรีบเคี้ยวรีบกืนก็เพราะว่านึกถึงแต่งงานที่จะทำนึกถึงสิ่งที่จะต้องจัดการต่อไปอันนี้พอเราเคี้ยวอย่างช้าๆเนี่ยสุขภาพก็ดีค่เดียวกันใจเราก็ไม่เครียดนะแล้วถ้าเรากินอย่างมีสตินะมันก็เป็นการเติมสติเข้าไปในใจสตินี่ก็เป็นอาหารใจอย่างหนึ่งนะ เวลาเคี้ยวก็ไม่ต้องคิดอะไรนะแค่ใจอยู่กับการเคี้ยวแต่ถ้ามันเผลอคิดก็รู้ทันรู้แล้วก็วางเวลาอาหารอร่อยนะใจมันเพลินกับสุขเวทนาก็ให้รู้นะให้เห็นมันนะอย่าเข้าไปเพลินกับรสชาติอาหารจนลืมตัวเดี๋ยวจะเคี้ยวเอาเคี้ยวเอาบางทีลืมกลืน หรือว่ากินอย่าง ม, มุมาเพราะว่าอาหารนั้นอร่อยนะอันนี้ก็เป็นผลเสียต่อกายเวลาเจออาหารที่ไม่อร่อยนะมันเผ็ดบ้างมันเปรี้ยวไม่คุ้นนะ่ะอก็แค่รู้ว่าใจมันไม่ชอบนะวางมันลงซะไอ้ความไม่ชอบเนะี่ยไม่ต้องเข้าไปเป็นนะเป็นผู้ไม่ชอบกินก็กินแบบสบายนะอันนี้ก็เป็นการาบํารุงใจไปด้วย ทำอย่างเดียวได้สองนะกินอาหารเนี่ยทำอย่างเดียวได้สองคือได้ทั้งอาหารกายทั้งอาหารใจแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ทำอย่างนั้นแต่ว่าทำสองอย่างสามอย่างพร้อมกันไม่เหมือนกันนะระหว่างทำอย่างเดียวได้สองเนี่ยกับทำหลายหลายอย่างพร้อมกันซึ่งบางทีไม่ได้อะไรเลยนะอาหารก็ไม่ได้บำรุงสุขภาพใจก็ว้าวุ่น การหายใจก็เหมือนกันนะเวลาเราหายใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายนะไม่ใช่เอาอากาศไปเลี้ยงร่างกายอาวัยวะต่างๆในตัวเราเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเราเอาใจใส่ลงไปในลมหายใจลมหายใจก็จะกลายเป็นลมวิเศษนะเป็นลมที่สามารถจะดับความร้อนในใจเราได้ เวลาโกรธเวลาโมโหเนี่ยใจเรามันร้อนเหมือนกับถูกไฟเผาลนเติมลมวิเศษลงไปนะมันก็จะไปดับมันก็จะไปทําความสงบเย็นให้กับจิตใจของเรามีความหนัก อ, อกหนักใจอะไรแบกอะไรไว้เนี่ยเติมลมวิเศษลงไปมันก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่หนักอกหนักใจออกไปมีความรู้สึกถูกบีบคั้นด้วยความกลัวหรือว่า ด้วยความวิตกกังวล่ะเติมลมวิเศษลงไปมันก็จะขยายใจให้เปิดกว้างโปง่งโล่งเบาสบายไอ้ลมวิเศษนี้ไม่ได้มาจากไหนเราก็มาจากลมหายใจธรรมดาของเรานั่นแหละเพียงแต่เติมใจลงไปใส่ใจลงไปนะมันก็ได้ทั้งสิ่งที่บำรุงเลี้ยงได้ทั้งอากาศได้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ได้ความสงบเย็นไปบำรุงจิตใจอันนี้ก็ทูอินวันเหมือนกันนะทหนึ่งได้สองนะ ดีกว่าทำหลายอย่างแต่ไม่ได้ไม่ได้ดีสักอย่างเลยหรือไม่ได้อะไรเลยนะลองสลับกันดูนะจากทำหลายอย่างพร้อมกันแต่ไม่ได้อะไรมาเป็นทำอย่างเดียวทำาทไลอย่างแต่ว่ามันได้สองนะคือได้ทั้งกายได้ทั้งใจด้วยนะการภาวนานี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะบางคนไม่เข้าใจว่าจะภาวนานได้ต้อง ผมขาวไม่มีผ้าขาวนะไม่มีชุดขาวนี่ก็ภาวนาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะหรือจะภาวนาได้นี่ต้องมีการมีการขอศีนก่อนมีการขอกรรมฐานก่อนนะไม่รู้พอไม่รู้ว่าจะอาราธนาศียังไงไม่รู้จะกล่าวคำขอกรรมฐานยังไงก็เลยก็เลยไม่ทําเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันทําง่ายมันทําได้ตลอดเวลาทาได้ทุกที่ทุกเวลา อยู่ในห้องน้ําก็ทําได้นะอย่าไปเคี่ยมีคนถามว่าอยู่ในห้องน้ํานี่นะจะภาวนาได้ไหมพ่อไปเชื่อวภาวนาหรือกรรมฐานเป็นาาของสูงเนี่ยต้องทําเวลาอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือว่าอยู่ในห้องพระหรืออยู่วัดมงคนถามว่าอ่านหนังสือธรรมะนี่อ่านในห้องน้ําได้ไหมมันทําได้อยู่แล้วล่ะมันดีกว่าไปอ่านหนังสือโป้ในห้องน้ําเนี่ยใช่ไหมหรือว่าดีกว่าปล่อยใจลอย นะเครียดวิตกหงุดหงิดความดีเนี่ยทำที่ไหนมันดีทั้งนั้นแหละจะทำในห้องน้ำหรือว่าจะทาตรงไหนก็ตามนะเพราะว่ามันเป็นการบำรุงกายบำรุงใจนะอย่าให้การทําความดีนะการทําบุญการรักษาศีลหรือการภาวนามันเป็นเรื่องยุ่งยากเต็มไปด้วยพิธีกรรมุงรังนะความจริงมันไม่ได้มีอย่างนั้น สมัยพุทธกาลก็ไม่มีพิธีกรรมอะไรนะปัญจวัคคีย์ก็บรรลุทำไดนะ้โดยที่ไม่ต้องขอสีไม่ต้องขอกรรมฐานนะงั้นถ้าเราเข้าใจสาระของการภาวนานี่มันทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ได้เวลากินอาหารเวลาเดินเวลาอยู่ในห้องน้ำนะเวลาอาบน้าเวลาทาครัวล้างจานทำได้ทุกที่ทุกเวลาอาลียมรับพร